ศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีกิจคือมีกิจคือกาจัดความชั่วทางกายชั่วทางวาจาและก็อาชีพที่ชั่วนะครับศีลเหล่านี้จะกําจัดความชั่วทางกายวาจาและอาชีพออกไปศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความถึงพร้อมคือเป็นธรรมที่หาโทษไม่ได้ไม่มีโทษเลยนะครับไม่มีโทษ ทางกายทางวาจาทางอาชีพให้บัณฑิตทั้งหลายตําหนิเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษทางกายทางวาจาและทางอาชีพนะครับทีนี้ศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความสะอาดทางกายสะอาดทางวาจาเป็นต้นนั่นแหละครับเป็นอาการปรากฏของศีลมีหิริโอตปานั่นแหละเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้นะครับนี่เป็นศีลโดยลักษณะของศัพท์นะครับส่วนอาจารย์พวกอื่น อาจารย์พวกอื่นในที่นี้หมายถึงแนวคัมภี์วิมุตติมักนะครับหมายค่ะว่าศีลัทธาก็มีศีระก็มีศีลัทธาก็มีสีตะละก็มีนะครับศีลัทธามีสีวะเป็นอัดก็มีนะครับคือศีลัทธามีศีระเป็นอัดก็หมายค่ะว่าเป็นเหมือนกับสีระเนี่ยแปลเหมือนกับศีสระนะครับเสียนนะสีตะละก็เย็นนะครับสีวะก็เกษมนะครับอันนี้ตามแนวของคัมภีร์วิมุตติมัคนะครับแต่ว่า ทางคัมภีร์สายวัดมหาวิหารก็ก็ยกมาให้เห็นเฉยๆนะครับไม่อธิบายว่าผิดถูกอย่างไรบุคคลชื่อว่าศีลวาเพราะยังศีล น, นั้นให้บริบูรณ์หรือเพราะมีศีลโดยความดียิ่งอธิบายว่าสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสามารถแห่งจตุปาริสุธีศีลนะครับคนมีศีลหมายถึงคนอย่างไรหมายถึงคนที่หนึ่ง มีความบริบูรณ์ด้วยปาติโมคะสังวรนส อ, อินทรียสังวรนสปั จ, จยาศานิสิตศีลสอาชีวะปาริสุทธิศีนครับเรียกวัจจุ ป, ปาลิสุทธิศีนหรือความบริสุทธิ์ของศีล4ประการอาจารย์บางพวกให้อถ า, าธิบายว่าเพื่อจะทรงแสดงศีลที่เป็นหลักในบรรดาวัจตุ ป, ปาริสุทธิศีนเหล่านั้นให้พิสดารพระพุทธเจ้าจึงตรัสคํามียทีว่าปาติโมคะ สังวระสังวูตดังนี้ขออนุญาตครับพระเทลสายมหาวิหารนะแล้วกับกับผู้ที่แต่งวิมุติมร์เนี่ยเป็นคนละกลุ่มหรือนั้นเป็นกลุ่มที่ไหน่ะกลุ่มสายอาภัยคีรีนะครับคนละกลุ่มแล้วแล้วสายไหนที่เชื่อถือได้อากของเรายอมรับสายมหาวิหารนะครับคัมภีร์ที่เราใช้ทั้งหมดคือสายมหาวิหาร<อ>นะครับ ตามแนววัดมหาวิหารในสีลังกาคือในสมัยพุทธโคสาาจารย์นั้นก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันนะครับกลุ่มอภัยคีรีกับกลุ่มสายมหาวิหารนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอภัยคีรีก็คือกลุ่ ม, นนะะ ม, มเนี่ยนะครับวิมุตติมรักเนี่ยนะอุปติสระนั่นแหละครับแต่ของเราก็ใช้วิสุทธิมรักนะครับทีนี้ในสมัยนี้ก็เอามาปนกันนะครับเอาทั้งวิมุตติมรักทั้งวิสุทธิมรักเนี่ยมาเริ่มมาปนทีนี้คนที่อ่านวิสุทธิมรักเนี่ยนะครับ ซึ่งมันแปลเรียบเรียงกันมาหลายชั้นกันมากในยุคนี้นะหนักๆเข้าปฏิเสธวิสุทธิมัติเลยนะครับนะมีสมัยนี้บอกโอ้วิมุติมัติอ่านง่ายๆคำว่ า, า ง, งั้น เ, ออเข้าใจเลยแต่วิสุทธิมัติย่นเยอะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับออที่จริงแล้วนะครับทําให้เห็นว่า อ, อในสายวิสุทธิมัติของเราเนี่ยน่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับ เ, ออเนื่องจากคนอ่านวิสุทธิมัติแล้วไม่เข้าใจนะครับ เมื่อไม่เข้าใจก็จะชอบไอ้ถ้อยคําอะไรที่มันเรียบเรียงแบบไม่ง่ายนะครับคำอธิบายที่ลึกซึ้งก็จะไม่ค่อยชอบถ้าหากว่าเราไม่ชอบวิสุทธิมรักแสดงว่าเราไม่ค่อยชอบอัต ถ, ถาของพระไตรปิฎกนะครับถ้าไม่ชอบอัต ถ, ถาของพระไตรปิฎกก็ยากนักครับที่จะเข้าใจเนื้อความในพระไตรปิฎกได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์ซึ่งถ้าจะกล่าวโดยลําพังส่วนตัวผมแล้วผมศรัทธาวิสุทธิมรักมากนะครับเพราะว่าวิสุทธิมรัคษนี้เป็น ผู้เรียบเรียงเนี่ยเป็นองค์เดียวกันกับผู้ที่เรียบเรียงอัตกถาซึ่งเรานั้นใช้พระไตรปิฎกตลอดเมื่อใช้พระไตรปิฎกเนี่ยนะครับหรืออ่านพระไตรปิฎกบ่อยก็จะต้องพึ่งพิงอัตกถานะครับซึ่ง อ, อาจารย์เดียวกันคือพระพุทธโคสาอาจารย์นะครับเป็นผู้เรียบเรียงวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้อยคําต่างๆคําอธิบายต่างๆที่มีอยู่ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับจะเกื้อกูลทําให้เข้าใจอัตกถาทั้งหลายในที่อื่นๆ แต่สำหรับผู้ที่ยินดีความง่ายๆนะครับอยากอะไรได้ง่ายๆก็จะชอบแบบสั้นๆไปแต่ง่ายนี่นะครับผมจะให้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าคุณเข้าใจง่ายแล้วถูกต้องไหมนะครับก็เหมือนกับหนังสือบางเล่มที่อ่านแล้วเข้าใจเลยทันทีทีนี้เทียบเคียงนะว่าเข้าใจทันทีเนี่ยเข้าใจแบบในพระไตรปิฎกหรือเข้าใจเอาเองนะครับก็อยากจะให้ความเห็นอันนี้ขึ้นไว้หน่อยนะครับ เพราะว่าคนทั่วๆไปในยุคนี้ก็จะชอบความง่ายความง่ายอันนั้นเนี่ยนะครับจะมีคุณหรือมีโทษก็ไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับชอบกินอาหารง่ายๆนะครับนะครับเขาบอกว่าครัวทั้งครัวอยู่ในซองเดียวเนี่ยนะตระกูลบัมีทั้งหลายแหล่นี่นะครับคนก็จะชอบง่ายๆแบบนั้นแนหะแต่ไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างไม่รู้นะครับแต่ก็จะชอบง่ายชอบสะดวกเข้าว่าไว้นะครับ ชั้นใดก็ดีเพืที่ศึกษาพระธรรมในยุคนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะเราก็นะครับจะทํากับข้าวกินถึงจะยากหน่อยแต่ก็มีคุณค่าทางอาหารสูงศึกษาพระธรรมก็ต้องลักษณะนั้นนะครับทั้นถ้ารีบเร็วด่วนได้ก็ลําบากนะแต่ก็ไม่นึกห่วงอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรียนรู้เข้าใจให้ชีวิตเป็นตายในคําสอนเหล่านี้แต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลอยู่แล้วนะครับกุศลไม่มีโทษนะครับ บัณฑิตทั้งหลายไม่ตำหนิเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นไปเพื่อเจริญงอกงามในพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นจะเบื่อการศึกษาไปทําอะไรนะครับฟังครั้งหนึ่งเรียนครั้งหนึ่งอ่านครั้งหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้จิตก็เป็นกุศลนะครับนะไม่ใช่โหรีบอ่านให้จบจะได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยโอ้จะไปดังานอะไรนะครับนะก็อ่านพระธรรมคําสอนให้จิตเป็นไปกับพระธรรมคําสอนนะครับ เป็นคาถาวัตถุไปนะครับถึงจะเคยอ่านเคยฟังมาแล้วแต่ก็ฟังเพื่ออ่านเพื่อขัดเกลาเพื่อมากน้อยเพื่อสั้นโดเพื่ อ, อความไม่คลุกคลีเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัศนะเพื่อส่งเสริมกุศลรธรรมชั้นสูงต่อไปนะครับไม่ใช่เรียนเอาให้จบจบแล้วจะไปทําอะไรครับนั่นนะจบแล้วก็จะได้ไปเพือเจอไงไงโอยแย่เลยส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่า แม้โดยบททั้งสองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปาติโมคสังวรไว้แล้วแต่เพราะศีลคือปาติโมคสังวรนั่นเองในบทนอกนี้อินทรี์สังวรจึงเป็นเพียงการรักษาทวาร6เท่านั้นอาชีวะปาริสุทิศีลเป็นเพียงการยังปัจจัยให้เกิดขึ้นโดยทำอย่างเดียวปัจจะสาสนิสิตศีลเป็นเพียงการพิจารณาปัจจัยที่ได้มาแล้วว่านี้เป็นประโยชน์แล้วจึงบริโภคเท่านั้น ถ้าจะว่าโดยตรงว่าโดยตรงศีลคือปาติโมขสังวร น, นั่นเองภิกษุใดมีศีลขาดแล้วภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีหัวขาดแล้วไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องมือและเทา้านะครับว่าจะต้องรักษาอาวัยวะที่เหลือไว้ได้นะครับส่วนภิกษุใดศีลไม่ขาดภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีรษะไม่ขาดย่อมสา ม, มารถรักษาศีล เหล่านั้นทําให้เป็นปกติได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมคขสังวอนศีนนั่นแหละขึ้นไว้ด้วยบทว่าศีลาวานี้แล้วเพื่อจะยังปาติโมขสังวอศีนนั้นให้พิสดารจึงตรัสคําเมียที่ว่าปาติโมกขสังวระสังวูโตนะครับคือในบรรดาศีลทั้งหมดนะครับศีลคือปาติโมกนะครับนับว่าเป็นศีนที่เป็นประธานของศีนนอกนี้ถ้าหากว่าปาติโมกหลุดลุย่ยหลุดร่วงเซะแล้วนะครับ สินอื่นๆก็ยากที่จะเหลือปัจจัยสันนิสิตาศินอินรีย์สังวรสินอ่ะอาชีวะปาริสุทธิศินก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญที่สุดของสมมณเพศอยู่ที่ปาติโมคสังวร น, นะครับปาติโมคสังวร น, นี่มาอันดับแรกเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าอินทรีย์สังวรเป็นต้นรักษาไม่ดีก็ยากที่ปาติโมกจะเหลือนะครับก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสําคัญในเบื้องแรกคล้ายๆกับว่า เรามีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาอยู่ร่วมศึกษาด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตรวจสอบท่านเป็นชั้นแรกเลยคือเอาปาฏิโมกข์นะครับมาตรวจสอบว่านะปราชิกสีเนี่ยล่วงไหมเสศเมถุนธรรมมาไหมอธินนาทานข้ามนุษย์มีไหมอวดอุตริมนุษยธรรมมีไหมถ้าหากว่าปาฏิโมกข์เหล่านี้หลุดแล้วก็ยากนักนะครับที่จะคุยเรื่องอื่นๆต่อไปมาอินทรีย์สังวรเป็นต้นก็ยากที่จะคุยกันเพราะว่า นะคนคอขาดแล้วนะครับมาตบแต่งมือและเท้าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเครื่องประดับถึงจะเป็นแหวนเพชรทั้งหลายอะประดับข้อนิ้วข้อเท้าทั้งหลายก็ไม่มีประโยชน์เพราะคนคอขาดว่างั้นนะเพราะฉะนั้นปาติโมขะสังวรนก็จึงเหมือนกับว่าเป็นไม้บรรทัดมาวัดมาเปรียบเทียบดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นปาติโมขะสังวรนเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะปาราชิกทั้ง4นะครับบรรดาบทเหล่านั้นบดว่าปาติโมขัง นะครับคือศีลศีลคือสิกขาบทนะครับหมายถึงสิกขาบทบัญญัติทั้งหมดที่พระองค์ทรงบัญญัตินั่นแหละครับเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลอธิบายว่าศีลคือสิกขาบทนั้นชื่อว่าปาติโมกเพราะยังสัตว์ผู้คุ้มครองรักษาศีลคือสิกขาบทนั้นให้พ้นคือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์ที่ทําให้ต้องเกิดในอบายเป็นต้นนะครับปาติโมกเนี่ยนะคำว่าปาติโมกคือทําให้หลุดพ้นนะครับ ทำให้หลุดพ้นจากอบายนะเพราะว่าอำนาจประโยชน์10บประการที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยนะั้นนะมีอยู่ข้อหนึ่งว่านะเพื่อกําจัดอาสะวะอันจะบังเกิดในอนาคตนะครับเพื่อกําจัดอาสะวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นในอำนาจประโยชน์นั้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้ามีพระวินัยบัญญตัติหรือผู้ใดประพฤติปฏิบัติ รักษาตามพระวินัยบัญญัติก็พ้นจากอบายทุคติวินิบาดนรกนั่นเองนะครับอันนนอำนาจประโยชน์10ประการนั้นทบทวนนะครับ1 น, นะครับเพื่ออะรครับ เ, เพื่อความรับว่าดีแห่งสงนะครับหมายถึงว่าคณะสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะผ้าระยะสง์ในสมัยนั้นท่านรับว่า ดีแล้วนะครับสาธุพระเจ้าค่ะนะครับแล้วก็เพื่อสําราญแห่งสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะพระระยะสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีศีข้าบทมีศีลอย่างนี้ท่านจักอยู่อย่างผาสุกอยู่อย่างสําราญนะครับเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากนะครับนะเพราะว่าข่มคนหน้าด้านทั้งหลายเก้อนี่แปลว่าอายนะครับเก้อยากก็คืออายยากนะครับก็ข่มคนหน้าด้านทั้งหลายนั่นเอง แล้วก็ถ้าข่มคนหน้าด้านก็เพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักนะครับเพราะว่าข่มคนหน้าด้านได้แล้วผู้มีศีลอันเป็นที่รักก็จะอยู่อย่างผาสุกและในขณะเดียวกันเมื่อมีอพระวินัยบัญญัติภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักก็จะได้ศึกษาขอบเขตของตัวเองได้นะครับว่าขอบเขตในการประพฤติปฏิบัติของผู้บวชเข้ามาแล้วนั้น่ะมีขอบเขตแค่ไหนทีนี้ต่อไปก็คือเพื่อนะครับ กำจัดอาสวะอันจะ บ, บังเกิดในปัจจุบันนะครับหมายความว่าเรื่องเสียหายทั้งหลายแลที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากความไม่มีศีล น, นะเราฟังดูนะครับข่าวคราวบ้านเมืองสมัยทุกวันเนี่ยนะที่พระภิกษุเสียหายก็เนื่องจากเสียหายเพราะไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล น, นะครับถ้าตั้งอยู่ในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนะจะไม่มีข้อเสียหายใดๆเกิดขึ้นเลยแต่ที่เสียหายทุกวันเนื่องจาก ศีลไม่ดีนั่นเองนะครับเสียหายในเรื่องศีลซะส่วนใหญ่นะครับนี่ค เ, เรียกว่าความเสียหายในปัจจุบันถ้ามีพระวินัยเหล่านี้แล้วภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่เสียหายเสียชื่อเสียงแบบนั้นเลยนะครับเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตหรือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตนั้นหมายถึงว่าปกปิดไม่ให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส นะครับผู้ที่ไม่เคยเลื่อมสายเลยมาศึกษาพระวินัยบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่พิสูจนทั้งหลายว่าโอ้พระกุณ้าทั้งหลายปฏิบัติได้ยากเหมือนกันเถอะก็เห็นก็เลื่อมสายเลยนะครับหรือว่าผู้ที่เลื่อมสายในาศาสนาอยู่แล้วนะครับได้ทราบข่าวว่าพระพิสูจ์ท่านตั้งมั่นอยู่ในศาสนาตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งหลายก็จะเลื่อมสายนะครับให้เป็นสังขานุส ต, ติของอผู้ที่เลื่อมสายทั้งหลายเหล่านั้นได้และในขณะเดียวกันนะครับก็เพื่อ ความตั้งมั่นแห่งพระศัทธรรมนะครับเมื่อมีพระวินัยบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้พระประิยัติสัทธธรรมคือพระไตรปิฎกก็จะดํารงมั่นอยู่ได้นะครับแล้วพระเถระสมัยก่อนกล่าวว่าธรรมะนี่นะครับพระธรรมวินัยเนี่ยนะจะดํารงอยู่ในภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักนะครับพระธรรมวินัยเนี่ยจะอาศัยพระภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักหรือรักชีภิกษุนี่แหละครับพระธรรมวินัยจึงจะดํารงอยู่ได้ แล้วข้อต่อไปก็คือเพื่อถือตามพระวินัยนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อสังวรวินัยเพื่อปะหานวินัยเพื่อสมถาวินัยแล้วก็เพื่อบัญญัติวินัยบัญญัติวินัยก็ผมเข้าใจว่าหมายถึงพระวินัยปิดกที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีศึกษาบททั้งหลายเหล่านี้ก็จะช่วยสามารถดํารงมั่นรักษาศาสนาไว้ได้นะครับเพราะว่าพระวินัยนั้นเป็นอายุของพระศาสนาเป็นอายุของศาสนาคือ คําว่าศาสนานั้นหมายถึงคําสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญานะครับเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติทั้งหมดจะช่วยปกปักรักษาพระศาสนาคําสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประมวลด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้ดํารงมั่นอยู่ในโลกต่อไปนะครับโลกไหนครับดํารงมั่นอยู่ในโลกไหนครับ โลกไหนครับนะครับในพวกเรานั่นแหละครับเพราะว่าไม่ได้ดํารงอยู่ในตู้นะรักษาเก็บไว้ในตู้เป็นอย่างดีเลยนะไม่ใช่อย่างงั้นนะครับดํารงก็คือหมายพระไตรปิฎกเนี่ยเต็มตู้อยู่ทุกวัดไม่ใช่แบบนั้นนะครับดํารงมั่นอยู่ในสัตว์โลกและสัตว์โลกที่น่าสงสารที่สุดใครครับถ้าเราจะให้อาหารก่อ น, นะจะให้อาหารใครนะครับก็หันมาหาเราก่อนนะนะเพราะฉะนั้นอย่างไี้ยังไงก็ให้สศร์ทําคำสอนเหล่านี้ยังเหลืออยู่ที่ เราทั้งหลายก็ยังดีนะครับหรือที่ตัวเองก่อนถ้ารักษาตัวรอดก็คงจะรักษาคนอื่นได้มั้งนะครับบางคนเนี่ยนะก็เที่ยวคิดอะไรนะเที่ยวยัดเยียดคําสอนเหล่านี้ให้คนอื่นทั้งหลายโดยที่ตัวเองไม่ได้รักษาอะไรเลยนะครับนะมามียาแก้อไอดีนะครับไปเที่ยวแจกคนอื่นตัวเองไอแค่ๆๆๆแเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอยากเชื่อนะครับว่ายานี้ดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ให้มันลดไอได้บ้างนะครับบรรเทาอาการไอได้บ้างแล้วก็ยื่นให้คนอื่นเขาอาจจะ หยิบดื่มบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้ก็ให้ดำรงมั่นอยู่ที่เราทั้งหลายนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าปาติโมกในที่นี้ก็ ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติรักษาคุ้มครองนะครับเพราะว่าคําว่าปฏิโมกนั้นหมายถึงอาจาระทางกายและทางวาจาะนั่นแหละครับศีลทางกายและทางวาจาถ้าประพฤติปฏิบัติรักษาได้ก็พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรกไม่ต้องมาร้องระ ง, งมเหมือนจริงรีฤที่กําลังร้องอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับคําว่าความสํารวมระวังเนี่ยนะครับชื่อว่าสังวร น, นะปิดกั้นน่ยนะปิดกั้นสํารวมระวังชื่อว่าสังวรได้แก่การไม่ล่วงทางกายและทาง วาจาความสำรวมคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกขสังวอนนะครับพิสูจนชื่อว่าปาติโมกขัสังวระสังวุตะเพราะสำรวมแล้วคือมีกายวาจาอันปิดกั้นแล้วด้วยปาติโมกขสังวอนนั้นนะครับคือปิดไม่ให้ไหลไปเป็นบาปทางกายปิดไม่ให้ไหลไปเป็นความชั่วทาง วาจานี่นะครับอาศัยปาติโมกขสังวรที่พระองค์ตรัสนี่นะครับเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นขนาดนั้นก็ด่านอันนี้คนก็แหกกันเรื่อยนะครับแหกแล้วเป็นไงครับตกเหียวตายกันระเนรนาดกันหมดนะครับบาดเจ็บนะครับหัวขาดแขนขาดขาขาดกันนะครับทั้งๆที่พระองค์เอารั้วอย่างดีนะครับมากั้นนะครับเป็นกราะเพชรมากั้นแล้วก็ยังยังแหกกันเรื่อยนะครับ มันก็แสดงว่าไม่มั่นใจเลยนะครับในพระพุทธเจ้าที่กั้นเหว้นะปิดเหวเอาไว้ตัวเองก็ไม่มั่นใจในแหมปิดเหวจริงหรือเปล่าลองเด่งดทศธาดูสินะครับหัวทิมหัวตําเลยนะครับตาจะเกิดเป็นสัตว์ในอบายมากมายมหาศาลนั่นะบทว่าปาติโมกคะสังวรสังวุโตนี้เป็นเครื่องชี้ชัดถึงความที่ภิกษุนั้นตั้งมั่นแล้วในศีลนั้นนะครับคือบริบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะครับ บทว่าวิหารติที่แปลว่าอยู่เนี่ยแสดงถึงความพร้อมเพรียงแห่งการอยู่สมควรแก่ปาติโมกนั้นนะครับหมายความว่าผู้ที่จะรักษาปาติโมกขสังวรนี่นะครับจะต้องอแม้กระทั่งหาสถานที่ส ป, ปายะบุคคลส ป, ปายาเสนาสนะส ป, ปายะระดับหนึ่งนะครับจึงจักรักษาปาติโมกขสังวรได้นะครับพอไปอยู่บางหนบางแห่งก็ไม่สามารถที่จะรักษาปาติโมกขสังวรได้นะครับ สถานที่บางแห่งเกื้อกูลมากต่อปาราชิกบางแห่งเนี่ยเกื้อกูลมากต่อสังขาธิเศตนะครับบางแห่งก็เกื้อกูลแก่ปาจิตินิสกีปาติเทศนียะทุกกฎทุกพาสิตธ์เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นวิหรารเตนี่นะครับจะต้องมีการอยู่ที่สมควรแก่ปาติโมกนะครับถ้าหากว่าสถานที่เป็นต้นไม่เกื้อกูลก็ยากที่จะอยู่ได้นะครับยากที่จะรักษาปาติโมกขสังวรศีลเหล่านี้ได้ บทว่าอาจาระโคจรารสัมปันโนแสดงถึงธรรมะที่เป็นอุปการะแก่การสํารวมในพระปาติโมกนะครับในเบื้องต่ําและแก่การตามประกอบคุ ณ, ณพิเศษในเบื้องสูงคืออาจาระกับโคจรเนี่นะครับสำคัญมากนะครับปาติโมกทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ได้ก็อาศัยอาจาระและโคจรคุ ณ, ณธรรมชั้นสูงๆต่อไปจะมีได้ก็อาศัยอาจาระและโคจร บทว่าอนุมัติเตสุวัชเฉสุพยดัตสาวีแสดงถึงสภาวะธรรมดาของการไม่เคลื่อนจากปาติโมกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เห็นภายในโทษว่าดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเนี่ยนะครับคนที่เห็นภัยเล็กน้อยจริงๆเนี่ยแสดงว่าเขามั่นจริงๆในปาติโมกบทว่าสมาดายะแสดงถึงการถือเอาศิกขาบททั้งหลายโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับถือเอาหมดเลยสมาถานปฏิบัติเอาหมดเลยนะครับ บทว่าสิทติแสดงถึงภาวะคือความพร้อมเพียงในสิกขาบทว่าสิกขาประเดสุแสดงถึงธรรมะที่จะต้องรักษานะครับสิทตินี่นะครับจะต้องศึกษาจริงๆนะครับแล้วก็สิกขาประเดสุเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องศึกษานั้นได้แก่สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วนะครับเพราะว่าสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะครับเป็นฐานเพื่อที่จะรองรับมรรคผลเบื้องสูงต่อไปนะครับถ้าหากว่าไม่ศึกษาตามนี้ นะครับไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็ยากนะครับที่จะเข้าถึงสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนคือมรรคผลนิพพานนะครับเพราะว่าถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความคดทางกายมีความคดทางวาจาแลวก็มีความคดทางอาชีพแล้วนะครับเมื่อมีความคดทั้งหลายเหล่านี้ก็ยากนะครับที่จะพ้นจากวัฏทุกได้นะครับ ทีนี้มาขยายคําว่าปาติโมกนะครับก็แยกศัพท์มาเป็นปาติชื่อว่าปาติปาตินี่โดยศัพท์แปลว่าตกใช่ไหมครับปาติ น, นะแปลว่าตกอ่นนะปาตินี้เพระอาัฏฐาว่ามีปกติตกไปในอบายทั้งหลายคือมากครั้งตกไปนี่ไม่ได้ตกบ่อยตกแบบครั้งเดียวนะอบายเนี่ยมันตกบ่อยๆตกหลายครั้งอ่ะนะ เพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีกำลังด้วยเพราะความที่ทำความชั่วทำได้ง่ายด้วยและเพราะการทำบุญทำได้ยากที่ว่านี่ได้แก่ปุถุชนนะครับปุถุชนนี้ชื่อว่าปาตินะครับถามว่าทำไมปุถุชนจึงชื่อว่าปาติเพราะตกไปในอบายเนี่ยหลายครั้งหรือว่าตกไปในอบายเนี่ยบ่อยๆอาถามว่าทำไมจึงตกไปในบายบ่อยๆเพราะกิเลสมันมีกำลังอ่ะ แล้วก็เพราะทำชั่วง่ายแล้วก็ทำบุญยากเพราะฉะนั้นเลยปุตุชนนี่แหละชื่อว่าปาติตกไปเนะอบายบ่อยๆมากนะครับเหตุผลอย่างที่ว่าไปโอ้ทำชั่วง่ายกิเลสมีกำลังดีเนี่ยทำยากเหลือเกินนะครับก็สังเกตดูสิครับนะชวนให้โกรธเนี่ยพักเดียวเนี่ยในเรื่องเลยนะครับนะกิเลสมันมีกาลังขนาดนั้นเลยนะพร้อมที่จะเป็นราคะโทสะโมหะมานะได้ทันที ชักชวนไปผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่ยากนะครับเช่นชวนไปหากุ้งหาปูหาปลาอะไรเนี่ยนะไม่ยากเลยนะครับชวนไปกินเหล้ามเมายานี้ยากไม่ยากชวนมาฟังเทศฟังธรรมยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับจะเลยตกไปในอบายบ่อยๆตกแล้วตกอี ก, กือนั่นแหละครับซ้ำซ้ำซากๆนะเพราะทำดียากเหลือเกินนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะอัตถ า, าว่าถูกแรงกรรมเนี่ยนะซัดไปในพพเป็นต้นนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับ เชื่อว่ามีการดําเนินไปเป็นปกตินะรกรรมนี่มันซัดเข้าไปในในภพในกำเนิดในคติในวิญญาณทิฏฐิเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่ได้อยู่ในสภาพคงทนนะครับอยู่ในที่หนที่ใดที่หนึ่งได้นานใช่ไหมครับก็จากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาไปนรกอย่างเงี้ยขมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนเนิ่นานานอะไรเพราะฉะนั้นจึงดําเนินไปเป็นปกติแล้วก็หมุนไปโดยรอบหาที่ตั้งอันแน่นอนไม่ได้ ดุดเครื่องสูบน้ำำําสําหรับตักน้ําอ่ะ น, นะค่าก็รหัสตักน้ําอ่นนะนะเขามีนะรหัส น, น, นะครับตักน้ํามันก็หมุนรอบมันก็ตักน้ําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆมันไม่อยู่นิ่งอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องสูบน้ําหรือรหัสตักน้ําแบบคนโบราณเนี่ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะใช้ลมเนี่ยนะครับพัดแล้วก็เวลามันก็จะหมุนลงไปในน้ํามันก็จะ ด, ดึงขึ้นนะครับพอมันไปอีกช่วงมันก็จะเทออก จะมุนมาเป็นรหัสน้ํานะครับไปเห็นที่เอมเนต์เนี่ยก็มันก็เหมือนกับรหัททั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่ามันตักน้ํานะครับมันเป็นเรียกว่ารหัสนะครับไม่เชิงกลางคันนะเพราะฉะนั้นมันก็หมุนรอบไปลักษณะนี้นะครับแต่นี้ก็มาเรียกเหมือนกับเครื่องสูบน้ําอ่ะนะคือมันเหมือนกับไหลเวียนนะเหมือนกับน้ําเวียนไปตลอดนะครับมีนะเป็นรหัสน้ําอ่ะนะ เพราะฉะนั้นปุตตชนเนี่ยนะครับดําเนินไปในภพทั้งหลายแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยเนี่ยนะครับไม่มีอยู่นิ่งหรอกครับ น, นี้เลยเรียกว่าปาติปาติเนี่ยนะปุตุชนทั้งหลายนะครับเราเนั่นแหละครับไม่ใช่ใครหรอกอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะยังอัตภาพให้ตกไปในสัตตนิกายนั้นๆด้วยอํานาจแห่งมรณะนะครับอันนี้ได้แก่สัตตสันดานคือจิตนั่นเองนะครับ คือทําให้ตกไปในสัตว์ตานิ迦เนี่ยนะครับคือตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายเล่าลนี่นะครับหมายถึงจิตนะนะจิตเนี่ยนะครับเป็นเหตุที่จุติจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งตาจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะครับนี่ตระกูลปาติทั้งหลายศีลเชื่อว่าปาติโมกเพราะอถาว่ายังสัตว์ผู้ตกไปนั้นให้พ้นจากสังสารทุกข์อธิบายว่า สัตว์พ้นแล้วจากทุกข์ด้วยความหลุดพ้นแห่งจิตนะครับศีลคือปาติโมงเนี่ยนะทำให้จิตหลุดพน้นน่ะนะครับเพราะว่าจิตเนี่ยนะปกติก็จะไหลไปสู่อาบายทุกขติวิบัติใช่ไหมครับแต่ทีนี้ศีลเนี่ยนะก็จะทําให้จิตเนี่ยหลุดพ้นได้สมดังคําที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะความผ่องแผ้วแห่งจิตนะครับจะสะอาด จ, จะเศร้าหมองก็อยู่ที่จิตนั่นเองหรือว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นเพราะฉะนั้น อ่ะนะจะหลุดหรือไม่หลุดก็อยู่ที่จิตแต่ทีนี้จิตจะหลุดได้ก็อาศัยศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึง่งบุคคลชื่อว่าปาติเพราะาธรราว่าตกไปคือดําเนินไปได้แก่ไปในสงสารด้วยเหตุที่เป็นข้อมูลนะครับมียวิชาเป็นต้นนะครับคือคําว่าปาตินะีก็คือพวกที่ดําเนินไปในสังสารวัฏนะครับเพราะมียวิชาตันหาเป็นต้นนั่นแหละเป็นเข้าเป็นมูลนะนะมันก็ไปนะครับ เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อมูสัตว์ผู้เมียวิชาเป็นที่กลางกัน้นเป็นเครื่องกลางกั้นนี่นะครับมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏนะครับอันนี้ในสังยุตตินิกายนิธานวัตนะครับ น, นิธานวัต ก, กล่าวถึงในอนมะตักขะสังยุตนะครับ พูดถึงสังสารวัตที่ไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สุดเพราะสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นนะครับเหมือนที่พระ อ, องค์ตรัสว่าไม่มีนิวร์อะไรเลยนะครับที่จะเสมอเท่ากับอวิชาไม่มีสังโยชน์ใดที่จะเสมอเท่ากับตันหาเพราะฉะนั้นอวิชากับตันหามันทํางานคู่กันเนะี่ยสัตว์เลยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับไม่มีจบมีสิ้นนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยนะครับ บุคคลชื่อว่าปาติเพราะมีวิชาตันหาเนี่ยแหละครับทําให้ดําเนินไปในวัตฏะเนี่ยนะสังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะเหตุว่าเป็นเหตุหลุดพ้นจากกิเลสทั้งสมีตันหาเป็นต้นของสัตว์ผู้ตกไปนั้นนะ ค, คือตกไปในสังสารวัฏเนี่ยนะครับอาศัยปาติโมกขสังวรเนี่ยนะครับทําให้หลุดจากกิเลสนะหลุดจากสังกิเลสคือตันหาทุจริตและทิฏฐิเมื่อมีศีลเนี่ยนะครับสัตว์ก็ไม่ตกไปในสังสารวัฏอีกแบบนั้นเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับสภาวะชื่อว่าปาติเพราะยังสัตว์ให้ตกไปให้ถึงความเสื่อมคือให้ถึงทุกข์ได้แก่จิตเนี่ยนะไอปาติเนี่ยนะครับคือมันตัวเป็นตัวที่ทําสัตว์ให้ถึงทุกข์นะนะคือเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ถึงทุกขเพราะอะไรครับเพราะจิตนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ถึงทุกขทั้งหลายนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโลกอันจิตย่อมนําไปคือสัตวะโลกเนี่ยนะครับถูกจิตเนี่ยฉุดไป อันจิตย่อมฉุดไปดังนี้นะครับพวกเรานี่เป็นไปตามอํานาจของจิตใช่ไหมครับแล้วแต่จิตมันจะพาไปมันจะไปไหนมันก็ไปตามมันไปหมดนะครับสังเกตดูนะโลกที่จิตพาไปเนี่ยครับดูตามสถานีขนส่งทั้งหลายแหล่นี่นะครับโอ๊ยสังเออสแ ง, งรอรถกันเลยนะจะไปกันแล้วนะครับก็จองงอแงไปหมดเลยนะสังวรชื่อว่าปาติโมกนะครับเพราะ อัฏฐาว่าเป็นเครื่องพ้นของสัตว์ผู้จะตกไปนั้นนะครับก็จิตเนี่ยเป็นเหตุให้ตกไปใช่ไหมอาศัยปาติโมกสังวรเนี่ยไ ป, ไปไปรักษาจิตเอาไว้ก็เลยไม่ต้องตกไปนะครับเพราะฉะนั้นปกติจิตทั้งหลายก็ที่ไม่ได้รับการอบรมเนี่ยนะครับก็จะไหลไปในราคะโทสะและโมหะเป็นต้นตามแต่นิมิตที่มาปรากฏนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะอัฏฐาว่าเป็นเหตุตกไปในอบายทุกข หรือในสังสารทุกข์ได้แก่สังกิเลตมีตัณหาเป็นต้นนะนะไอตัวปาติเนี่ยคือเหตุของสังสารได้แก่นะครับกิเลสสังกิเลสคําว่าสังกิเลสนี้เป็นชื่อของตัณหาทิฏฐิและทุจริตนะครับคําว่าสังกิเลสมีสาอย่างนะตัณหาทุจริตและกิเลสเนี่ยนะครับทีนี้ไอสังกิเลสอันนี้นี่ยนะครับเป็นตัวที่ทําให้ตกนรกหวังนั่นเถอะสมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ตันหายังบุรุษให้เกิดและบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยตัวนี้แหละครับตัวตันหาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละครับตัวที่ทําให้ตกในอบายะทุกข์สังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตถาว่าพ้นไปจากกิเลสเป็นเหตุให้ตกไปนั้นนะครับถ้าอยู่ในปาติโมกขสังวรจริงๆก็ไม่ตกไปในอบายทั้งหลายนะครับเพราะว่าศีลทั้งหลายเนี่ยก็ตัดสังกิเลสคือทุจริตกรรมได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติชื่อว่าปาติเพราะเป็นที่ตกไปได้แก่อายตนะภายในและภายนอก6กนะครับอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นี่แหละครับชื่อว่าปาติปาติออดูดูเหมือนกับที่จริงนะพูดล้คือตัวตัวนี้แหละครับที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละครับคือตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้ น, นรดกายโภตาพระใจธรรมรมูปก็อยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละตัวนี้แหละครับชื่อว่าปาติ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่ออายตนะหเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมทําความชมเชยในอายตนะ6นะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเนี่ยครับโลกก็เกิดขึ้นโลกก็โลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเชิดชิดหรือเชยชิดในรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะและธรรมะธรรมารมทั้งหลายเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นอายตนะเกิดโลกเกิดโลกก็ทำความเฉยชิดในอายตนะ